เราต้องมาทําความเข้าใจพุทธศาสนาในเมืองไทยซึ่งมีความแตกต่างจากพุทธศาสนาในเมืองอินเดียพุทธศาสนาในเมืองอินเดียเป็นพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่าแหล่งกาเนิดต้นเขาหรือมูลเหตุของาศาสนาเริ่มต้นที่นั่นโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นลูกกษัตริย์ออกทรงผนวช เป็นเรื่องราวที่ทําให้สังคมอินเดียในเวลานั้นเกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่มันขัดกับรากฐานเก่าๆขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆและความเชื่อทางสังคมเก่าๆที่มีอยู่ในเวลานั้นกษัตริย์ออกบวชไปเป็นอะไรผู้ขอทานาเขาใช้คําว่าขอทานในเวลานั้น และทําให้ทําลายระบบชั้นวรรณาของอินเดียสูญหายไปแล้วก็สร้างมนฑินให้เกิดคนที่ตกอยู่ภายใต้ความเชื่อที่ฝังแน่นในเรื่องของระบบชั้นวรรณาว่าคนวรรณาสูงเป็นแต่งต้องคนวัฒ น, นาต่าเป็นมนฑินทําให้คนวรรณาต่ํามีมนฑินมีบาปติตัวเป็นความเข้าใจอย่างนั้นพุทธศาสนาเริ่มมาจากรากฐานซึ่ง พอสมมาสมุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้วางรากฐานไว้ในหมู่ของชนชาวพราหมณ์มที่เขาเปลี่ยนการนับถือพราหมณ์แต่เดิมแล้วมานับถือพุทธไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนได้ง่ายๆเพราะความเป็นพราหม์มันฝังรากลึกแล้วมันแน่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน นานหลายพันปีเมืองอินเดียปัจจุบันนี้การนับถือแบบพราหมณ์ก็ยังมีเห็นอยู่แล้วก็แน่นด้วยการถือชั้นวันณะพองพามแต่พุทธเจ้าทำไมถึงสามารถไปเปลี่ยนความเชื่อของพรามการยึดถือของพามระบบปฏิบัติของพรามในเมืองอินเดียในเวลานั้นได้ ท, ไทําไมพุทธเจ้าเราถึงไปเปลี่ยนได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าพ่ะพระองค์เป็นกษัตริย์แล้วเป็นลูกกษัตริย์แลยวทงเปลี่ยนไม่ใช่ พระมมีทิฏฐิมานะมากไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการนับถือด้วย ก, กับพ่อปฏิบัติของเขาเพราะฉะนั้นระบบปฏิบัติของเขาเนี่ยเป็นระบบที่ที่ยากมากที่คนจะไปเปลี่ยนแต่ทําไมพระยาศรีสามารถเปลี่ยนพรามให้มานับถือพุทธเพราะแน่นอนว่าก่อนที่จะมีพุทธเนี่ยการแสดงธรรมของพระยาศรีต้องแสดงธรรมให้กับคนที่ มีมิจฉาทิฏฐิมาแต่เดิมอยู่แล้วคือนับถือสิ่งที่เป็นนอกฤีธอยู่แล้วนับถือพวกนิครนปปลิพาชกหรือนับถือพราหมณ์หรือเดรธีต่างๆนาๆนาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยรวมแล้วก็มีเรียกว่าอาจารย์ทั้งหอาจารย์ทั้งหก็จะมีสันชัยเวรธาบุตรซึ่งภาษาลีบุตรกับพระโมคะลานาเป็นลูกศิษย์อยู่สัญชัยเวรธาบุตรอาชิตาเกสศกัมพล ปักปุ ธ, ธกักรกจายยนานะเปือยนี้อะไรสัจจการ น, นิครสนาเชนปัจจุบันนี้อะไรครูหกหกหกท่านในเวลานั้นนะกับลัทธิพาแล้วก็ชดินชดินนี้บูชาไฟ สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่ารากฐานของการนับถือทางาศาสนาในเมืองอินเดียนี่เหน๋ยวแน่นมากแน่นสะจนไม่มีใครสามารถไปไปเปลี่ยนได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโดยการแสดงหลักสัจจ์หรือหลักความจริงเพระองค์ทรงเล็งว่ามีแต่ความจริงเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงความงงงายที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจคนได้เรามีความเชื่อมาตลอด ในสิ่งที่เราถูกบอกให้เชื่อถูกปลูกฝังให้เชื่อถูกนําไปสู่การปฏิบัติให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเราถูกสอนการสอนการปลูกฝังทุกๆเรื่องไว้ในความรู้สึกความทรงจำในจิตในใจของเราที่เรารับสืบทอดมามันถูกเปลี่ยนโดยหลักสัจจ์หรือหลักความจริงผู้เจ้าบอกว่าถ้าไม่ใช้ความจริงแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน ความเชื่อที่มีอยู่ในเวลานั้นได้ต้องใช้ความจริงเท่านั้นพฟมจริงแสดงความจริงออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนจิตของอัญญากบนัญญาให้เกิดความรู้แจ้งได้แล้วประกาศตนเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแสดงว่าการนับถือพุทธศาสนาในข่าวครั้งแรกเป็นการนับถือโดยการรู้คําสอน ของข้าสามาสัมพุทธเจ้าอย่างของแท้การรู้หลักคําสอนที่พันสามาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงออกมาอย่างด้วยด้วยปัญญาโดยการรู้รู้จักอริยสัจจะธรรมมันเป็นการประกาศการนับถืออย่างไม่คอนแคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนได้อีกเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นทําไมไม่มีใครบอกความจริงกับพันยาคุณทายาตั้งแต่แรกทั้ทงทั้งนี้ คมพีของพวามณนี่ ม, มีมีเต็มไปหมดเลยที่จะสอนเรื่องราวทางศาสนาและข้อปฏิบัติแล้วก็สอนหลักของกันปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและความสิ้นกิเลสแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นและไม่ได้เป็นไปเพื่อการสิ้นกิเลสแต่เขาก็ยอมทํายทอย่างนั้นรุ่นแล้วรุ่นเล่าคนตายไปก็ตายด้วยวิธีการที่ปฏิบัติตามหลักของพราหมณ์อย่างนั้น อัญญาคนุนยาก็อยู่ในรูปแบบและกรอบแห่งการปฏิบัติอย่างนั้นโดยการยึดถือการบำเพ็ญทุกขลักกิเยาโดยเชื่อว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปหรือเหือดแห้งไปแต่ปรากฏว่าพุทธเจ้าบอกว่าจะปฏิบัติยังไงก็ตามหากสิ่งนั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของสัจจ์ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้เพราะนัสสัจจ์นี่เราฝจริงนี่จึงสามารถเปลี่ยนแปลง ความเชื่อที่ฝังลากลึกอยู่ในจิตใจทคนให้กลับมาสู่วิถีแห่งความรู้แจ้งการนับถือพุทธศาสนาจึงเป็นการนับถือโดยการเริ่มต้นจากการรู้จักคําสอนด้วยปัญญาการรู้จักคําสอนด้วยปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ความเชื่อในหลักคาสอนไม่ใช่เงี้อย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา แล้วเราก็เชื่ออันนี้ไม่ใช่รู้จากคําสอนมันนวิลล์เรามีคนมาสอนให้เราอรหังส ม, มาสมพุทโทธอิชฉาเจารนาสมาโนสุขโตโลกวิรูอะไรอะไรอรหังสมาสมาุตโธภะคะวาพุท ธ, ธ ร, รมขวันตังปิวาเทรนินมโมตัสสะภะควโตอรหโตสมมาสมาบุตัสสะโยโซภะคะวาอรหังสมาสมาบุตโธจะสอนในรูปแบบไหนก็ตามแล้วเรายึดถือตามความเชื่อที่ถูกสอนมาอันนั้นไม่ใช่เชื่ออันนั้นไม่ใช่ศรัทธาในทางวิสศาสนา ข้าศัตรูในทางอุทธศาสน า, ส า, าคือรู้จักสัจจ์โดยความเป็นสัจจ์ว่าหลหักคาสอนของพุทธศาสนาเป็นสัจจ์จริงเป็นความจริงที่แท้จริงเช่นพว่ากำมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหรือเป็นไปตามการกระทําอันนี้เป็นความจริงเป็นความจริงเราต้อง ท, ทําความเข้าใจในความจริง services. อันนี้ให้แจ่มแจ้งนั่นหมายถึงว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก็ตามก็เป็นไปจากการกระทําเมื่อเราชัดเจนแจ่มแจ้งในข้อทรรข้อนี้แล้วเราจะต้องหวัง การดนบันดาลหวังการเส้นสวงสกักการะกราบไหว้บูชาจากสิ่งใดๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากผู้มีพลังอานาจเหนือธรรมชาติหรือพระอิสวรจะโดนบันดาลชีวิตไม่มไม่หวังอย่างนั้นเราจะอยู่บนพืน้นฐานความเ ป, เป็นจริงคือสัตว์ว่าชีวิตไปไปตามการกระทำของเราทําดีได้ดีแน่นอนทําชั่วได้ชั่วแน่นอนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องแค่นี้ไม่ต้องไปคิด หาเหตุผลหรือมูลเหตุอื่นอีกเข้ามาทําให้เกิดความยุ่งยากภายในใจในใจที่จะเป็นไปเพื่อการนับถือหรือไม่นับถือในสิ่งต่างเรามีกระแสความเชื่อทางสังคมมากมายที่จะดึงใจเราไปให้เกิดความเชื่อว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้มีดีสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งทั้งหลายหากเราไปยึดถือและคล้อยตามหลักความเชื่อเหล่านั้นเท่ากับว่าเราทำลายสัจจ คำสอนของพุทธศาสนาหรือเราไม่ยึดถือตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแต่ประกาศตนเองว่าเป็นผู้นักถือพศาสนามันจึงนํามาสู่การเรียกว่าวัดคุณค่าและมาตรฐานของผู้นักถือศาสนาว่าเราได้นับถือพศาสนาจริงหรือเปล่าคนทั้งพุทธการผ่านนักถือศาสนาโดยการเขารู้ในหลักคําสอนรู้ในหลักสัจจ์แล้วก็ประกาศตนเองเป็นผู้นักถือ ในยุคนี้ถูกบอกสอนให้นับถือโดยที่ยังไม่รู้หลักสัจจิร์หรือไม่รู้หลักคําสอนแต่ถูกบอกสอนนัให้นับถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาเมื่อเราไม่รู้แล้วเราก็นับถือมันเกิดมันจะเกิดประโยช น, น์อะไรแน่นอนว่าประโยชน์ไม่เกิดมันจึงเกิดเป็นเป็นคําถามหรือว่าเป็นเป็นข้อคิดขึ้นมาว่าเรานับถือพระพุทธศาสนามาได้อย่างไรทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เราไม่เคยรู้หลักคําสอนของพุทธศาสนาของเราเลย แล้วเราับถือมาได้ยังไงรับถือกันมายาวนานเป็นพันปีถามว่าเอาก็คนที่เรียนรู้และศึกษาแล้วเกิดมีความรู้ในพุทธศาสนาก็มีทั้งเยอะแยะมากมายทาไมาเขาจะไม่รู้ถามว่าหากเรามีคนที่รู้เรื่องของพุทธศาสนาตั้งมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดทําไมยังมีเรื่องงมงายเต็มไปหมดเหมือนกันในทางพุทธศาสนาเนี่ยที่แทรกเข้มาในหลักพุทธศาสนาน โดยเฉพาะเกิดจากพระเองนี่แหะเกจีอาจารย์ต่างๆนาคาอยปลูกเสวยวยสร้างอะไรเครื่องมงคลเครื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรให้กับคนทําไมยังมีมากมายอยู่ทั้งคนเรานั้นก็รู้จักคําสอนหากว่ายังมีผู้รู้จักคําสอนจริงๆอยู่ทําไมถึงมีเรื่องราวของความงมงายแทรกเข้ามาตั้งมากมายไห้ต้นไม้ไหว้ศาลเจ้าไหว้ศาลพระภูมิไหวเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหวพระภูมิไหวเจ้าปู่เจ้าตา ไอะไรเราถูกสอนให้ไหวมันเหมือนกับดีนะในจริงแล้วมันไม่ไม่ใช่ความดีไม่ใช่มันไม่ใช่สัจจ์และถ้าหากว่าเรื่องงมงายที่พูดถึงเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีจริงในศาสนาทำไมยังมีพระภิกษุที่ท่านรู้ถึงเนื้อแท้แห่งหลักคําสั่งสอน จึงคอยมาเทศและบอกสอนจูงเราเดินออกจากวิถีแห่งความงมงายมาสู่ความถูกต้องอยู่แล้วผู้ที่จะมาสอนเราให้ดึงออกมาจากวิถีแห่งความงมงายมาสู่หลักเหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยมีน้อยน้อยมากมากแล้วคนไม่ค่อยจะสนใจคนเดียวสนใจในสิ่งที่มันเป็นกระแสแห่งค่านิยมเสียมากกว่านั่นบ่มบอกถึงอะไรบ่มบอกว่าเราไม่ได้รับถือพุทธศานาทางด้านสติปัญญา คือเหตุผลนั่นเองเราไม่มีเหตุผลเลยที่จะนับถือพุทธศาสนาของเราเองแต่เราใช้ความรู้สึกความอยากความเชื่อความสิ่งอะไรก็ตามที่พุทธศาสนาตอบสนองความต้องการของเราได้บันดาลชีวิตให้เราดีบันดาลชีวิตให้เรารวยบันดาลชีวิตของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขบันดาลชีวิตของเราปราศจากโรคภัยบันดาลชีวิตให้เราเป็นไปใ น, นต่างนานาที่เราจะคาดว่าจะเป็นไปเพื่ความเจริญเราเราคาดหวังอย่างนั้นในท่าพุทธศาสนาถามว่าพระเจ้าบัญญัติพุทธศ า, า, าสนาขึ้นมาเนี่ย บัญญัติเพื่อให้มนุษย์มาสร้างความคาดหวังในความเป็นพูทธศาสนาที่จะบรรดาลให้ชีวิตตนเองไปเป็นผู้เข้าถึงความสุขความเจริญโดยการเส้นสวงสักการะไหวบูชาอย่างนั้นหรืออะไรหรือเพราะอะไรพระศัตริย์พระยาต้องการอะไรถึงมาศาสนาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติพระองค์ต้องการให้พวกเราปลดทุกข์และพระองค์ต้องการให้พวกเราพึ่งตัวเองโดยการดับทุกข์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก เพราะเมื่อใดก็าตามที่พวกเราสามารถดับทุกข์ได้ด้วยตนเองการพึ่งพาสิ่งภายนอกก็ไรไป้ประโยชน์นี่ประโยชน์อะไรเลยเพราะเราดับทุกข์ในตัวเราได้แล้วสำคัญที่สุดก็คือการดับทุกข์ในตัวเองเนี่ยมันเป็นสาระสําคัญในชีวิตอย่างอื่นไม่ใช่สาระเพราะเมื่อเราดับทุกข์ได้แล้วมันมันจะเป็นปัญหากับอะไรหรือเปล่าในโลกเนี้ยอาไม่มีกินเป็นปัญหาอะไรกับชีวิตไหมแล้วเราดูสุภพุทธะโลกเลื่อน คอขอทานก็กินไปวันๆทุกใจอยู่เหมือนกันว่าวันนี้ไม่ได้อาหารลําบากใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ยากมากวันนี้ได้อาหารเออดีไว้วันนี้สบายมีผู้ใจดีเอาอาหารมาให้กินก็กินก็อิ่มในวันนั้นวันต่อไปไปขออาหารไม่ได้ก็ลําบากก็ทุกทุกใจอยู่่แต่วันหนึ่งได้ฟังเทศของพระเจ้าเกิดปัญญารู้แจงในสัจธรรมนั้นเพื่อเกิดปัญญารู้แจงในสัจธรรมนั้นประกาศตนเป็นผู้นับถือพระศาสนาผู้นึ่ศาสนาขึ้นมา สุภาพผู้ท่าก็ไม่ได้รวยเพิ่นะและก็ไม่ได้ขอบันดานให้ชี้ตนเองถึงความร่ํารวยถึงความสุขมีกินมีใช้ทุกอย่างส ม, สมความปัถนะแต่ก็ไม่ได้ปัถนาอย่างนั้นแต่ปัถนาเพียงแค่ว่าจับประกาศคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปโสรว่าคุณของพระพุทธเจ้าพร ะ, ระพธระรมปโสรเนี่ยเป็นคุณค่าจริงๆเป็นคุณค่าแห่ความจริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทําไมพระรตนตไตเนี่ยที่บุคคลเข้าไปถึงและรู้แจ้งแล้วเนี่ย สามารถดับความทุกข์แม้ไม่มีอาหารจะกินขออาหารได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามวันนั้นไม่อยากจะกินอาหารเลยเราพูดได้ไงไม่ไปขอทานเลยเดินไปสํานักพระเฉตวันไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อไปประกาศคุณของพระตถาคตมาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้พระธรรมทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้แม้จะถือ ภาชนะกระเบื้องขอทานเขาไปได้อาหารเต็มอิ่ในวันนั้นก็ไม่ส่งคุณค่าอะไรหนึ่งอันนั้นเป็นเพียงแค่เลี้ยงร่างกายให้พออยู่รอดแต่ความทุกข์ในใจไม่สามารถดับได้แต่ความเป็นพระเจ้าพระธรรมประสงค์เ่ะที่ได้เกิดจากการฟังธรรมทําไมความทุกข์ในใจมันดับไปได้มันหดหายไปได้มันมันเบิกบานมันไม่ได้ต้องการอะไรอีกในชีวิตนั่นไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้อยาก มีอะไรหรือต้องการอะไรมไหมายถึว่าเขาว่าต้องการคือเป็นความต้องการที่เกิดจากแรงแห่งการยึดมั่นถือมั่นนี่ที่เกิดจากการยึดถือในตัวตนของตนเองที่สุภพุท ธ, ธเป็นอยู่ในเวลานะี่ยมันมันไม่มีความต้องการอะไรเพื่อให้ตนเองเป็นอะไรไม่ต้องการจึงต้องการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกให้คนาได้เห็นคุณค่า ปรากฏว่าถ้ายินก็ลองใจ น, นี่ลองใจว่าจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าสุภพุทธะนี่จะเห็นเป็นคนตกทุกข์ได้ยากเป็นคนยากไร้เห็นเห็นใ จ, จอาจจะเห็นแก่ทรัพย์สินอันที่เราจะเอาไปให้นี้ก็เลยแปลงกายมาเป็นพรามพรายินแปลงลองอมาเอาแก้ ว, วเวทเศษแก้วแวนเงินทองเต็มลำเล่นเกวียนมาดักหน้ารองแล้วก็บอกยกให้ สุภพุทธะยกให้หมดลำเล่มลำเล่มเกวียนเนี่ยไม่ต้องไปประกาศผลของพระเจาะ้าวันพระสงฆ์แล้วเอาไปเลยยกให้หมดเลยขอเพียงแค่อย่าไปที่เจตวันเดี๋ไปสํานักของพระเจา้าไม่ต้องไปนะเอาเงินเราไปเอาทรัพย์สินเราไปสุปพุทธะเอาเท้ากระทืบพื้นดินแล้วชี้หน้าพระ อ, อินะแต่สุปพุทธะไม่รู้จักพระอินนะเขาแปลงมาท่านเป็นใครอุดต่อเลยนะท่านเป็นใคร ทำไมไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพุทธสงฆ์ซับประมาณเท่านี้ไม่สามารถที่จะดับทุกข์นี้กับเราได้แต่ร พ, ard, พระพุทธเจ้าพระธรรมพุทสงฆ์สามารถดับทุกข์นี้กับเราได้เราไม่ปฎิฐานาในทรัพยบต่อ น, นี้เราปฎิฐานะจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะให้เราไปประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่สามารถที่จะพูดนดะ้มันเป็นสัจจ์จะให้เราไปประกาศความเป็นพระธรรมให้เป็นพระธรรมไม่ได้มันเป็นสัจจ์ วาการไม่ไคนที่เข้าถึงสัจจะจะไม่เปลี่ยนแปลงสัจจะให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้เจ้าทรัพย์สินเงินทองมาประมาณเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแปลงใจเราไม่ได้นั่นคือการเข้าถึงพูษนาที่อาตมาพยายามจบบอกและก็พยายามจะสื่อสารและก็จะพูดถึงารากฐานทางสังคมก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนอินเดียพูทสนาไม่ได้เกิดกําเนิดถือกําเนิดขึ้นที่เมืองเราในประเทศของเราเราเป็นเพียงแค่ออผู้รับสืบทอดพูษนามาด้วยความหวังดีของพระเจ้าย อ, อโศมหาราช ที่สงสมณะพูดมาแล้วเราก็รับความหวังดีอันนั้นคือรับพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่น ด, ดินสู่ประเทศแล้วก็ความเป็นพุทธศาสนาดนั้นก็ฝังรากลึกลงในแผ่น ด, ดินของเราแล้วเราก็เติบโตมาบนแผ่น ด, ดินที่มีพุทธศาสนาพอเราเติบโตขึ้นมาแต่สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาทางรากฐานทางพุทธศาสนาในแผ่น ด, ดินเราเนี่ยเราถูกปลูกฝังอะไรเราถูกปลูกฝังความจริงไว้ให้เราปฏิบัติหรือยึดถือหรือเปล่าหรือเราถูกปลูกฝังอะไร เราจะเห็นแต่ค่านิยมค่าขรมรมเนียบประเพณีพิธีกรรมหลักความเชื่อเต็มไปหมดเลยแล้วเราเห็นสัจจคในในในศาสนาตรงไห น, นที่เราจะสามารถยึดถือศาสนาได้อย่างมีเหตุมีผลยากมากเราต้องอาหาภาพิสูจผู้คอยบอกคอยสอนคอยชี้คอยแนะนำคอยอธิบายคอยเตือนสติเราไม่ให้เราหลงไปในทางที่มันผิด จากหลักศาสนาแต่พรเอาอว่ า, าตลอดระยะ เ, เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะหาพระพิสูจอย่างนั้นน้อยคนที่จะบอกหลักษัจจาในทางาสนาให้กับเราและพาเราปฏิบัติมันน้อยมากน้อยซะจนในส่วนน้อยนี้ไม่สามารถเทียบกับกระแสแห่งความงม ง, งายของส่วนมากได้เมื่อ ภิกษุผู้คอยชี้และบอกสอนเหตุผลทางศาสนามีน้อยจนไม่สามารถเทียบกับความงมงายในส่วนมากที่มีได้มันจึงเกิดข้อเปรียบเทียบทางสังคมทางทัศนะของสังคมขึ้นมาว่าส่วนน้อยเนี่ยไม่ถูกส่วนมากพิจะถูกเขาจะถืออย่างนั้นก็เาบอกว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย คนอื่เขาก็ยึดถือกันตามๆกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าทำไมพงค์ไม่ยึดถือลัทธิพามตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพระองค์พระเจ้าโกกาตราชเป็นต้นบงตระกูลของสากยะมาหามาถึงสุทโทธทนะนี่มาจนมาถึงพระองค์ต้นบงตระกูลก็นับถือพามันมาตลอด ขนทมทำในประเพณีอะไรก็ตามก็ต้องทำตามพิธีพามาต่อแม้แต่พวกองค์เองถือกําเนิดขึ้นมาก็ถูกพรำพยากรณ์ฤาษีดาบทมาพยากรณก็จะได้เป็นสมมาสมพุทธะถ้าคร อ, องเรือนก็จะเป็นจักพรพัชก็ใช้พิธีพามสู่ขวัญอะไรก็พิธีพามสักการะอะไรก็ใช้พิธีพามแต่ทําไมผู้ย่อปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นหมดเพราะนั้นไม่ใช่สัจจ์เราต้องเข้าใจว่าลักษณะของพุทธศาสเป็นลักษณะของสัจจ์ สัจจ์เป็นความบ่งบอกและคความจริงอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่หลักของความจริงก็คือไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาไม่ใช่สัจจ์แล้วเมื่อมันไม่ใช่ความจริงเล่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงมันเราสามารถไปยึดถือในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงมาเป็นหลักคําสอนหรือหลักปฏิบัติในทางศาสนาได้ไหมล่ะเราก็ไม่สามารถที่จะยึดถือได้แต่เราก็ยึดถือให้มีขึ้นในศาสนาขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไง มันคืออะไรมันเท่ากับว่าเรากําลังพยายามที่จะลิบหลอนอหลักคําสอนของพู้ได้เจ้าให้เลือนหายไปพยายามที่จะกลบหรือว่าพยายามที่จะทําลายแต่เราไม่ได้มีการบุ่งมั่นมุ่งหมายทําลายอะไรนะมันไม่ใช่มุ่งหมายทํำลายแต่คือทําลายด้วยความไม่รู้ของเราเองของคนพูดเองพูดง่ายๆพระเจ้าจึงบอกว่าศาสนาจะเสืออเส่อมเพราะเสื่อมเพราะคนในภายในคือ ภิกษุพิสุนีอุบาสกบัณฑิการนี่อะไรจะทำให้เสือ่อมไม่มีใครทําให้เสือ่อมเขาเอาปืนยิงพทุทธลูกอยู่ที่บาบิยันปากีสถานใช่ไหมชาวพุทธโกรธแค้นไหมแล้วชาวพุทธที่ทําลายคำคำสอนของพระเจ้าอยู่ในเวลานี้น่าโกรธแค้นไหยเราเรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมาดาเราไม่เห็นโกรธแค้นคนทําลาย เพรพระพุทธลูกเราไปโกรธแค้นเขาถามว่าพุทธลูกเป็นอะไรเป็นส่วนใดของศาสนาไม่ได้อยู่ในส่วนใดของศาสนาเลยแต่หลักคาสอนเนี่ยซึงเป็นหลักสัจจ์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในศาสนาเราแต่เราทาําลายทําลายด้วยความไม่รู้ของเราเองเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปโกรธแค้นคือเราเร า, เราทําเราเราทําความผิดเองเราไม่ได้โกรธแค้นตัวเรามันคืออะไรเพราะฉะนั้น คืออะไรนี่หมายถึงว่าคําถามให้คิดไอ้พวกเราเนี่ยคิดได้ะคนอื่นมันคิดไม่ได้มันก็เลยมองมองอะไรที่เป็นข้อแปลแยกออกไปแยกออกไปว่าเออเอออะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีลูกเขารบแล้วจะปฏิบัติกันยังไงก็ทําความดีได้หลักปฏิบัติทําความดีมีนช่ไหมครับก็ศีลก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ก็ก็ปฏิบัติได้เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับอะไรทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติไปได้อย่าง au, ดีแล้วไม่มีการสวดมนต์เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนอินเดียนะคนอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าอิติปิโสภะวารหังสมาสมพุทโววิชาจรานสัพปโนคือเขาประกาศคุณความดีหรือว่ากิตติสัอัางามของพระพุทธเจ้าให้ฟุ้งไปเขาเป็นคนอินเดียเขาพูดตามภาษาอินเดียมันไม่ผิดเพราะเขาเป็นคนอินเดียแต่เราเป็นคนไทย เราไปประกาศคุณของผู้ได้ย่อด้วยภาษาอินเดียอิติปิโสภะวระังสามาสาพุทโธวิชาจาราส a ม a ันโดคนที่ฟังก็คือคนไทยคนที่รับสืบต่อไปก็เป็นคนไทยโดยใช้ภาษาอินเดียเป็นตัวสื่อสารมั น, ม, นมันไม่ถูกมันเป็นความงมงายมันเป็นภาษาพูดที่เราจะต้องใช้ภาษาที่เราต้องเข้าใจกัน พูดด้วยภาษาเราเนี่ยพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรูชอบได้โดยพวกเองเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้สมบวรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมก็พูดกิติศัพท์งมของพุทธเจ้าฟุ้งไปอย่างนี้ด้วยภาษาของเราเองทําไมไม่พูดเรามาติดอยู่กับบทสวดติดอยู่กับเรื่องราวที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือสิ่งที่ผูกฝังทางสังคม มันเลยเกิดปัญหาของการนับถือศาสนาในทุกวันเนี้ยแบบนับถือศาสนาแบบผิวเผินแบบรวกๆแบบพอเป็นพิธีไปมันทำให้ความเสื่อมทางปัญญาหรือเกิดความอ่อนด้อย ทางสังคมเรื่องราวของศาสนามันจะเป็นเรื่องราวเกือบจ100ัดร้อยเปอร์เซ็ลยนะในชีวิตของเราเนี่ยเรื่องราวของศาสนาที่ที่ถูกนําไปใช้ในทุกๆที่ทุกๆองค์กรมักจะนําหลักธรรมคาสอนไปใช้ไปบูรณาการเพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดอย่างใดเย็งหนึ่งขึ้นมาเราจะใช้ หลักทำเป็นข้อตัดสินใช่ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดมันจะมีหลักการตัดสินขึ้นหลักธรรมแม้แต่กฎหมายก็จะมีหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายก็จริงแต่ต้องใช้ธรรมในในการตัดสินถ้ามีกฎหมายแต่ไม่ใช้หลักธรรมในการตัดสินมันมันก็เป็นเพียงแค่อะไรข้อบังคับที่ทําให้เรา ขาอิสรภาพในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นทุกทุกที่ทุกๆองค์กรทุกๆเรื่องเราในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของศาสนามีอยู่ที่เราเจอพุทธศาสนาได้ทุกที่นะพูดได้ง่ายที่เราทํางานที่บ้านที่เป็นอยู่ที่บ้านพระเจ้าบอกให้ทํำยังไงข้อปฏิบัติระหวังมารดากับบุตรบิดากระบุดอย่างเงี้ยข้อปฏิบัติระว่างบุตรกับมารดาบิดาปฏิบัติยังไง ความเป็นพุทธศาสนาเราจะไปใช้ได้ยังไงเราอยู่กับเพื่อนข้อปฏิบัติระหว่างเพื่อนเราควรจะทํำยังไงเราอยู่ในที่ทํางานข้อปฏิบัติระหว่างลูกจ้างกับเจ้านายเจ้านายปฏิบัติต่อลูกจ้างยังไงเป็นเรื่องเราของพุทธศาสนากล่าวไว้สอนไว้ไวิธีปฏิบัติต่อกันเพราะอะไรเพราะหากทําตามหลักธรรมแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความจเจริญทั้งสองฝ่ายจเจริญไปได้วยกั น, นจริงๆี้แล้วบุคคลผู้มีมีปัญญาอันรู้เห็นชัด ในชีวิตว่าชีวิตมีความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์ก็คือเราตัณหาทั้งหลายที่มันรองรับจิตใจของเราแล้วก็ผลักดันจิตใจให้เราเป็นไปตามความปรารถนามีความเพเยรทยานอยากอยู่ไม่มีทางที่สิ้นสุดและเราก็ไปทุบ ก, กับความอยากเหล่านั้นเพียรทยานกันอยนู่ไม่จบสิ้นทัทีก็พยายามจะหาทางออกไปจากความ เป็นคุกอย่างนี้ก็ปฏิบัติตัวเองให้เพิ่มพูนเข้าไปในหลักของปัญญาในการเจริญวิปัสะนากรรมฐานก็สามารถทําตัวเองให้ดลุดพนได้ทั้งที่ทําการทํางานคลองเรือนอยู่ในสังคมที่เป็นอยู่ก็สามารถขาาเพียนตัวเองไปได้เพราะเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตของเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะตัวเราเกิดมาจากศาสนาตัวเราเนี่ยตัวคนมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาจากศาสนา จะไปแยกศาสนาให้ออกจากตัวเราไม่ได้และจะบอกให้เรื่องราของศาสนาเป็นเรื่องเราของเฉพาะพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ไม่ได้เรื่องเราของศาสนาเป็นเรื่องเราของเราชีวิตของเรามันเกิดมาจากศาสนาหากไม่มีหลักคําสอนทางศาสนาคอยบอกคอยสอนเราและเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนามาแต่ปางก่อนไม่มีทางหลอดที่เราจะได้อาศัยคุณของการประพฤติตามหลักของศาสนานั้น ика, สมผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จะเกิดกันได้มาลอยๆทุกอย่างมีเหตุปัจจัยของการเกิด ปัจจัยพ้องการเกิดคืออะไรบุญกุศลคุณงามความดีและบุญกุศลความความคุณงามความดีมาอย่างไหนก็มาจากหลักคำสอนทางศาสนาที่คอยบอกสอนและเราก็ได้รับข้อปฏิบัติทางศาสนาและปฏิบัตินํามาสู่การเกิดในภ พ, ช า, พชาติอีกภพชาติหนึ่งในเวลานี้แล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็ผลักดันให้เราได้มาเจอหลักปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อให้เราได้ไปสู่ภพที่ดีหรือเป็นไปเพื่อความดับภพบดับชาติกับทุกข์ให้กับเราก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราอย่างถูกต้อง ว่าเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไรเป็นยังไงตรงเนี้เพราะเราจะต้องใส่ใจในเรื่องเราหลักคําสอนที่เป็นศาสนาเนี่ยให้มันจริงจังจะมาทําแบบพอเป็นพิธีกรรมไม่ได้หลักธรรมของพุทศาสนาบอกได้เลยว่าจะทําเป็นแบบพิธีกรรมไม่ได้แล้วที่ทํําทาตามแบบพิธีกรรมในทุกวันนี้ถือว่าเป็นการลดทอนคุณค่าทางศาสนาลงโดยที่เราไม่รู้ตัวกันที่เราทําตามพิธีกรรมทุกวันพิธีกรรมทั้งหมดในพุทธศาสนาท่านจะพูดนะ กำลังลดทอนคุณค่าตัวของผู้สนัซึ่งหลักคําสอนที่แท้จริงไม่ได้ถูกถูกแสดงออกมาและถูกเปิดเผยออกมาเราต้องเข้าใจว่าหลักคําสอนนะคือนํามาสอนไม่ใช่นําไปสวดนะนํามาบอกนํามาสอนนํามาทําความเข้าใจทําให้เกิดการแจ่มแจ้งมาอธิบายมาชี้แจง ม, มาเปิดเผยมาแสดงออกให้ชัดเจนไม่ใช่นําไปสวดการนําหลักคําสอนไปสวดมันเกิดอะไรก็เกิดการยึดถือการสวด เมื่อเกิดการยึดถือการสวดเป็นยังไงมันก็ติดติดอยู่การสวดติดเลยนั่นติดตายไปพร้อมกับ ก, การสวดมนต์เนี่ยเกิดมาอีกชาตินึงเคยเจอไหมเด็กบางคนเกิดมาปั๊บนเนี่ยสวยดมนต์ได้เองโดยที่ไม่ต้องบอกต้องสอนมีที่เห็นอยู่ใช่ไหมสวดได้เองอเด็กอายุเจ็ดขวบหกวบเจ็ดขวบสวดได้เองเลยถามว่าทําไมเขาสวดได้ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครพาไปวัดมันติดมาในชาติที่แล้ว การติดนี้มันติดจริงๆนะเอาติดสวดมนต์ไม่ดีหรอถ้าดีพระพุทธเจ้าเอาพาสวดแล้วมันไม่มีปรากฏในตาําราในคำพีรในเรื่องราวไหนที่มีมาแต่แต่ครั้งพุทธการว่าพระพุทธเจ้าพาสวดมนต์ไม่มีนี่พระโมคคัลลานะก็ไม่ีปรากฏว่าพาลูกศิษย์สวดมนต์ภาษาลิบุตรก็ไม่ได้ปรากฏเห็นในปฏิปทาของท่านว่าท่านพาพระสวดมนต์พระหมหากรสปาก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในปฏิปทาแบบวิธีว่าพา ลูกศิษย์ลูกหาสวดบทไม่มีมีแต่สาธยายบทธรรมอันทรงจําไว้ดีแล้วต่อลูกศิษย์ลูกหากว่าบทธรรมนี้พระ อ, องค์ทรงตัดไว้อย่างนี้บทธรรมนี้พระ อ, องค์ทรงตัดไว้อย่างนี้ภาษยาไทยนี้เขาได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เล่าเรียนสืบต่อกันไปนก็บอกสอนกันอย่างนี้แต่นํามาสวดเป็นพิธีกรรมไม่มีนะมันยังไงก็ไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าบอกให้พระอานนท์ สายทายาทพระปริตนั่นก็บอกให้ทําเฉพาะการสาธยายพระปาริตแต่ไม่ได้บอกให้เอาบาตรไปตักทำน้ำมนต์ท่านภาคานนท์นคิดเอาเองเข้าใจเอาเองไปทําเองแต่พระทีเจ้าไม่ได้บอกให้ทําพระองค์บอกว่าให้เรียนเอ า, ารัตนปาริตให้ศึกษาเอ า, ารัตนปาริตนี้ไปพอศึกษาแล้วก็ไปทําพระปาริตนี้เป็นเครื่องคุ้มครองชาวเมืองซะแต่ภาคานนท์ ไปถือปากตักน้ำแล้วก็ปากพรมพร้อมกับสาธยาบวชพะปริตไปด้วยโดยเข้าใจว่าวิธีการควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่บางทีสิ่งที่เข้าใจเอาเองมันก็ผิดเหมือนกันพรมก็มาบรัดาภัยหลังว่าห้ามทาแต่เราก็ติดในสังคมเราติดติดมากเพราะไปดึงเอาเรื่องราวเหล่านี้ออกมาจากคาถากิลกมามาทาน้ำพะปาริต น้ำมนนี่เนี่ยน้ำพะพาริสเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําพะพาริสเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดจะให้พูดนิดนอกเหนือออาไปจากเรื่องเราแห่งความถูกต้องนี้ไม่ได้มันไม่รู้จะพูดไปทางไเพราะระดับพื้นฐานแห่งการนับถือศาสนาเรายังนับถือกันผิดเราไม่ได้นับถือเพราะความรู้ความเข้าใจถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างของแท้เราไม่มีการเปลี่ยน นี่การเปลีป่ยนแปลงนะครับพระศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาจึงเป็นพระศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ถูกสอนให้เชื่อถูกบอกให้เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้ามาบอกให้เราทําแล้วเราเชื่อในสิ่งที่องค์ทรงบอกให้ทําพวกก็บอกว่านั่นยังไม่ใช่ศรัทธาเอาแล้วยังไงถึงจะเรียกว่าศรัทธาก็เมื่อเรารับรู้รับฟังคําสอนมาแล้วแล้วเราได้ทําตามคํำสอนนั้นจนประจักษ์แจ้งชัด เกิดขึ้นเป็นความรู้ในใจของเราเองแล้วความรู้นั้นนี่จะเสื่อมออกกปจากใจเราเลยนะนั่นน่ะเป็นศรัทธาเป็นความเชื่อะเข้าใจไหมพอเข้าใจเพราะนั้นเราต้องทำทำแล้วรู้เองเพราะธารมะของพระเจาเป็นสันติจิโก ร, รู้เองอย่างเช่นโมกบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็ต้องทําให้มันเกิดความรู้เองแต่พูดไปเลาะไปเลาะ กับคนรอบข้างพูดดีๆกับคนรอบข้างเราก็ได้รับสิ่งดีๆตอบสองกลับมาไปพูดด่าใครรอบข้างได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาจะได้รับอะไรตอบสนองกลับมา <het> เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรมันมันก็มันก็นแง่มุมนี้เราก็ต้องเข้าใจว่านี่นคือความจริงนี่นคือสิ่งที่ถูกต้องโอ้พูดความจริงที่เป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นตลอดการ ตั้งจิตไว้ดีจิตเราก็ดีตั้งจิตไว้ในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีตั้งจิตไว้ในแง่มุมใดนแง่มุมหนึ่งที่เกิดความบีบคั้นภายในการตั้งจิตไว้ในแง่มุมนั้นก็จะเกิดความบีบคั้นในภายในเหมือนกันหากตั้งจิตในแง่มุมที่ดีไว้ไม่เป็นไปเพื่อความบีบคั้นจิตตัวเองเขาเรียกว่าวางใจเป็นกลางอะไรจะมากระทบจิตก็วางใจเป็นกลางในทุกๆเรื่องที่มากระทบมันก็ไม่มีเกิดการบีบคั้นการปฏิบัติภาวนาในหลักคําสอนทางพุทธศาสนานั่นน่ะ ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเพื่อให้จิตสงบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้จิตจะเจริญก็ได้จิตจะเสื่อมก็ได้เป็นเรื่องของจิตคือปล i n t ในเรื่องของมันเป็นเรื่องของมันเขาบอกเอาแล้วเราไม่รักษาจิตเลยการรักษาจิตนั้นอ่ะคือรักษาจิตไม่ให้ร่วงอกุศลแต่จิตนั้น่ะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา แต่การที่เรารักษาจิตคือรักษาไว้ไม่ให้มันร่วงอกุศลเท่านั้นเองอย่ามันร่วงอกุศลแล้วถ้าเกิดร่วงอกุศลทําไงอย่ายินดีในอกุศลที่ร่วงไปเนี่ยว่แค่นั้นอย่าไปตังย <clears throat> ินดีในในอกุศลที่ร่วงไปแล้วถ้าเกิดจิตมันไปยินดีล่ะในอกุศลที่ร่วงไปล่ะอย่าเจริญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปหมายว่าอย่ายินดีที่จะกระทําอีกอยูไปวายอย่างนั้นอย่ากระทำอย่าอย่ายินดีผมประว่า เพราะการที่ไม่ตั้งจิตยินดีมันจะค่อยถอนออกถอนออกถอนออกถอนออกมันก็จะตั้งอยู่ในกุศลธรรมจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมก็จะสามารถมีสติมีปัญญาภายในตนเองเพราะจิตที่เป็นอกุศลมันมันไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาเพราะสติกับปัญญามันเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลมันไม่มันไม่เกิดร่วมมันก็จะเป็นแต่โมหะหรือมีกิเลสสะสมอยู่ภายใน ฉะนั้นแล้วพุทธศาสนาที่จะเป็นพระพุทธศาสนาได้และบุคคลจะนับถือพุทธศาสนาโดยการที่เป็นผู้นับถือศาสนาจริงๆอยงจศาสนาจะต้องเป็นศาสนาที่เป็นหลักสัจจ์ผู้นับถือศาสนาจะต้องนับถือสิ่งที่เป็นสัจจ์ สิ่งที่เราจะต้องได้จากศาสนาคือได้ความจริงคือหลักศัจธรรมในทางศาสนาสิ่งที่ศาสนาจะมอบให้กับเราก็คือหลักศัจจามที่เป็นความจริงที่จะมอบให้กับเราไม่ได้มอบไม่ได้มอบอะไรมอบการคุ้มครองการรักษาการบรรดาลให้ชีวิตให้สำเร็จประโยชน์ตามแรงอธิษฐานตามการเส้นสวงตามการกราบไหว้ตามการสวดสาธายานอ่อนบอดร้องขอไม่ใช่แค่นะั้น ถาว่าการคุ้มครองรักษาเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้มันมีอยู่แล้วมันมีการคุ้มครองรักษากันงอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาจากความดีที่เราทําความดีที่เราทำจะรักษาเราพระองค์ยิงบอกว่าทําบูชาเวรักติปธรรมจจารีทําย่อมรักษาผู้ขึ้นปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชัวแน่นอนว่าเมื่อวิถีแห่งชีวิตของเราไม่ได้ตกไปในที่ชัวแล้วความชั่วก็ไม่สามารถตั้งไกลเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถสมผล มาให้เรบรับความเดือดร้อนจากความชั่วที่จะเกิดเพราะทํามจะคุ้มครองรักษาตัวของเราเองตัวเนี้ยเพราะนั้นจักถ้าจัดเป็นการคุ้มครองก็ต้องเป็นการคุ้มครองด้วยธรรมไม่ใช่คุ้มครองด้วยอะไรที่เป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ที่เราเข้าใจว่ามันจะมีอะไรลึกลับคุ้มครองเรา ม, มันลึกลับลึกลับซะจนเราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าธรรมะที่เราปฏิบัติจะรับรู้ได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับก็ทำมาปฏิบัติสติธรรมปัญญาธรรม หรือถ้าในชั้นของทานก็ทานละ ท, ทำทำเรื่องการให้ศี mm hmm. ลละทำทำในเรื่องของการสงบกายวาจาใจไม่ให้มีโทษสมาธิทำทำที่ทำให้จิตเราตั้งมั่นไม่คล้อยตามอารมณ์ปัญญาทำทำที่ทาให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงค้อยตามสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความงมงายมีมุติธรรมทำที่ทำให้เราหลุดพ้นออกจากกองพุกทั้งปวง มันก็มีธรรมต่างๆที่คอยคุ้มครองเราอยู่ไม่ต้องไปห่วงแต่ให้เราปฏิบัติตามธรรมนั้นทีนี้บุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมมีความคาดหวังอยู่ที่จะให้ตัวเองได้รับการคุ้มครองรักษาในเรื่องราวต่างๆให้ทางาศาสนาที่าศาสนาจะคอยบันดาลชีวิตเรามอบความศักดิ์สิทธิ์ให้กับชีวิตเราโดยที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมมันก็เหมือนกับคนหิวข้าวอยากจะอิ่ม ก็อาหารมาอยู่ต่อหน้าก็คอยแต่บอกว่าขอให้เราอิ่มขอให้เราหายหิวอย่างเงี้ยมันไม่กินสักทีมันอาหารจะรักษาปุ้มคลองรักษาร่างกายเขาได้ไหมมันก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าคนกินข้าวอยู่บ่อยๆกินข้าวอยู่ทุกวันกินข้าวอยู่ไม่หิวก็กินอย่างเงี้ยอาหารก็จะรักษาร่างกายของเขาเองอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎตายตัวชีวิตเขาก็จะสืบต่อไปได้ ไม่ได้รับความทุกข์มากไม่ได้รับความลําบากมากบุคคลให้ทานบุพผลแห่งทานย่อมตอบสนองในชีวิตของเขาในการที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ตามการให้ที่เขาได้ให้ไวผู้ไดจเจ้าทรงตาดไว้ชัดเจนสิ่งใดก็ตามที่เราจะได้รับในปัจจุบันนี้ล้วนแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเคยได้กระทํามาแต่ปางก่อนนั่น น, น, นะกรรมในอดีตบางอย่างเราทํามาน้อย กุศลกรรมเราทํามาน้อยก็อย่าไปทอแท้ทอใจว่าได้ทํามาน้อยแต่ปางก่อนกรรมในปางก่อนไม่สําคัญเท่ากับกรรมในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันน่ะประเสริฐกว่าสําคัญกว่าให้ผลยิ่งใหญ่กว่าให้ผลมีประมาณยิ่งกว่าพระทีเจ้าเน้นการการะทาในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากชีวิตของเราจะไม่ตกไปสู่โทษห้าประการก็เพราเรา รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยตามสี่ข่าวบทหประการจิตของเราจะไม่วุ่นวายต่อเรื่องราวต่างๆได้เพราะเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ให้ถูกอารมณ์ชักล่าดึงไปให้ตั้งอยู่ในกายมีกายาูุปนะัสนาตามรู้รละลึกรู้อยู่ในกายอยู่เสมอไม่ให้จิตคอดไปตามอารมณ์ที่มากระทบและดึงใจเราไปเวลามีเรื่องราวอะไรก็ตามมากระทบจิตจนทําให้จิตของเราเกิดความวุ่นวายไม่สามารถ ตั้งมั่นหรือทรงอยู่ได้นึกถึงกายก่อนนึกถึงกันมากในการนึกถึงเส้นผมขนเล็บปันนังเลืนนเล่อกกนกรดูนีเ่เราก็อยู่นี่กายก็นั่งอยู่นี่อารมณ์หลับทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในกายของเราผ่านเข้ามาในใจของเราที่จะครอบงาใจเรามันก็จะเริ่มจางคลายลงไปจางคลายลงไปใจที่เริ่มวุ่นวายไปตามอารมณ์ก็จะเริ่มสงบตัวลงสงบตัวลงไม่ค่อยตาง ม, มันก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็จะเห็นอารมณ์นั้นกระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับ ก็จะเกิดเป็นปัญญาปัญญาก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในการที่จะถอดถอนการยึดมั่นถือมัน่นในอารมณ์ทั้งนั้นเชทั้งปวงที่อารมณ์ที่เข้ามาแต่ละครั้งนั้น่ะว่ามันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวที่กระทบแล้วลายไปดับไปอารมณ์มันก็คลายเข้ามันเองได้มันก็ดับเข้ามันเองได้ขอเพียงแค่ทําจิตให้ตั้งมั่นก็พอบแต่พอจิจไม่ตั้งมั่นนั่นแหละมันจึงเป็นไปตามอารมณ์อยู่เสมอะจิตกับอารมณ์กระทบกันแล้ว คอยตามกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดเป็นอัตตาคือตัวตนมีผู้กระทําสิ่งต่างๆตอบต่อต อ, อารลงนั้นอยู่ตลอดเวลาตัวตนก็เลยสะสมขึ้นสะสมขึ้นเป็นอัตตาไปในจิตอย่างนี้เราไม่ได้ขายตัวเองออกการที่มีปัญญารู้เห็นโดยมีจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มันจะทําให้เราได้เกิดปัญญารู้แจ้งทาผิดให้พ้นได้จิตเราจะพ้นได้ก็ด้วยวิธีการอย่างนี้เองพระเจ้า จ, งจึ ง, จ, งจึงสอนให้พวกเรารู้จักการดับทุกแก้ทุก ให้กับตัวเราโดยวิธีการที่พูดถึงไม่ใช่ความยุ่งยากไม่ได้ไปนั่งบาเพ็ญอยู่ในถ้ำในป่าในเขาเป็นผู้เข่งครึมเป็นผู้ทรงศีลที่เรียวกว่าอะไรผู้วิเศษอะไรไม่ใช่ใช้ชีวิตปกตินี่ให้ทานรักษาศีลทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นอารมณ์ที่มากระทบจิตเกินดั ก็เข้าใจตามหลักการนี้ยึดหลักการนี้ไว้สุดท้ายมันจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนมันอยู่ที่กำลังของสติและปัญญาและกำลังของมรรคแก่กล้าเพียงพอเมื่ อ, อไหร่มันก็จะขอของอุปทานและดับอาวิชาไม่ให้หลงผิดเพื่อที่จะถืออารมณ์นั้นเป็น ต, ตนอีกต่อไปความทุกข์ก็จะไม่อาศัยและตั้งตั้งอยู่ในใจได้เมื่อความทุกข์ไม่มีที่ตั้งมันก็ดับตัวขึ้นมน ทุกนิดเลยก็ดับทุกนิดหน่อยก็ดับทุกพอให้รู้แล้วก็ดับจนสุดท้ายคือไม่ต้องมาทุกข์อีกก็คือสิ่งอสวกิเลตอันนั้นก็เป็นความเพียรที่จะภาคเพียรปฏิบัติภายในตัวเองมันจะรู้ภายในตัวเองเองไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนอันที่มันลึกลับซับซ้อนเพราะเราไม่ยอมปฏิบัติให้มันถูกต้องเราไปติดอยู่กับอะไรหรือทิฏฐิอันลบอยู่ภายในจิตในใจกลัวจะผิดอันนั้นกลัวจะผิดอันนี้กลัวจะผิดผีกลัวจะผิดเทพวกลัวจะผิด พ่อผิดแม่ผิดปู่ย่าตายายผิดบรรพบรุษผิดนั่นผิดนี่ต้องจุดทูกกลางลานแก้ง16ดอกเพื่อบูชาเทพเจ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินกลัวพระภูมิเจ้าที่จะไม่ดูแลจะไม่คุ้มครองจะไม่รักษากลัวท่านกลัวนี่นกลัวไปสารพัดต้องไปหาของของังของดีของวิเศษมาปกปกักคุ้มครองรักษากลัวตัเองจะไม่ไม่อยู่รอดปลอดภัย เมื่อชีวิตเป็นไปตามกรรมในหลักสัจจคตแล้วเราจะไปกลัวอะไรอีกในโลกนี้ชีวิตเป็นไ ป, ไปตามกรรมไม่ไดไ้ไปตามสิ่ ง, งใดเลยไปไปตามการกระทาการกระทำที่เราทำจะเป็นเครื่องสรงผลให้ชีวิตเราเป็นไปในภายภาคหน้าดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำไม่อยู่ที่ที่อะไรที่เราเข้าใจว่ามันจะเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ช่ มันอยู่แค่นี้เป็นไปนาตามการการะทำแค่นี้ง่ายนี่คือเรื่องราวของผู้ศาสนาที่เราจะต้องรู้และเข้าใจและควรจะเข้าใจและต้องเข้าใจและจะต้องเป็นความเข้าใจอย่างนี้ไปตลอดในขณะที่ยังเป็นชาวพุทธอยู่ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ให้มันจำแจงจมชัด แล้วก็ตัดวิธีการอื่นออกไปให้หมดเพราะมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนามันก็ตัดออกไปเลยอัตโนมัติไม่ไม่เข้ามาเป็นไปเป็นแง่คิดเอ๊คนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทนอย่างนั้นเขาทําอย่างนั้นเพราะเขาถูกสอนไว้อย่างนั้นเขาถูกแง่นํามาอย่างนั้นเ น, น, นี่ยแต่ละคนก็เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าการที่จะได้คบใครได้ไปอยู่ใกล้คบหาได้ฟัง ได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆกับบุคคลในการครบคนพระพุทธเจ้าบอกว่าการครบคนเป็นหลักมงคลอันแรกมงคลในทางอุตสนาอาเสวนาจะบาลานัปนปณิตตานันจะเทวะเเสวนาอย่าพบคนพาลให้คบัณฑิตพาลคือคนที่ภาระ้าพาลพอพ า, สอารรอลสละอาลลีภาลตัวนี้แปลว่าอ่อน ก่อนหรือว่าคนที่โ ง, ง่หรือคนที่ไม่ฉลาดหรือคนที่นำเราไปสู่ทางแห่งความเสือ่อมเรียกว่าผานอย่าคบคนพานอย่างนี้ใค้คม บ, บัณฑิตค <Okay. S 1> ือบัณฑิตก็คือคนที่มีปัญญาคนที่มีเหตุมีผลคนที่รู้แจ้งในพระธรรมการที่จะคบคนพ่านได้ หรือจะไปเจอการที่จะไปพบคนพาลหรือบัณฑิตได้ไปเจอคนพาลหรือเจอบัณฑิตได้มันก็จะมาจากการทาบุญในว่าปางก่อนเหมือนกันอาเสวานาจะบาลานังปรัดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชาดียานางังเราได้บูชาการบูชาที่เนี่ยปูชาจะปูชาดียานั้นเป็นเพราะการได้บูชาหรือได้การทําบุญร่วมกันมาแต่ปางก่อนหรือปาเอตัมมังคารุตตมัง ปฏิรูปรเทศาวาสูเกิดในประเทศที่สงวนไหมหมายถึงว่าเกิดในถิ่นที่มีคนพานหรือถิ่นที่มีบัณฑิตมากถ้าเราเกิดในถิ่นที่มีคนพานมากแน่นอนว่าเราต้องได้คบคนพานคบบัณฑิตไม่ได้แต่ถ้าปุบรเบกสรรคุ ญ, ญาตาได้ทําบุญไว้ในปางก่อนแม้จะเกิดในถิ่นที่มีคนพานบุญก็จะดึงให้ไปเจอบัณฑิตหรือคนที่ไม่เคยทําบุญไว้ในปางก่อน แม้จะเกิดในถิ่นที่มีบัณฑิตบุญไม่มากพอที่จะไปพบบัณฑิตบดตบาป ก, ก็จะดึงไปสู่คนผ่านวิถีผ่านได้เหมือนกันจนต่อเมื่อใดก็ตามที่บุญเพียงพอก็จะปักดันให้มาสู่ความเป็นพบบัณฑิตได้พบบัณฑิตพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลอันดับแรกที่จะนำนำพาเราไปสู่ความเจริญเพราะคำว่ามงคลนั้นนะ่ะคือเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความสําเร็จ เราจะเอาความสุขความสําเร็จในชีวิตเราก็ต้องอาศัยการพบผลคนที่จะชี้แนะให้เราสร้างเหตุเป็นไปเพื่อความเจริญและความสําเร็จได้ก็ต้องเป็นบัณฑิตท่านผูลล้รู้อะไรรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเหตุแห่งความสุขเป็นอย่างนี้เหตุแห่งความทุกข์เป็นอย่างนี้รู้ผลคือผลคือความสุขมาจากเหตุอันนี้ผลคือความทุกข์มาจากเหตุอันนี้บัณฑิตรู้เหตุรู้ผลรู้ตน ตนเองเกิดชาติตระกลุนนี้ประมาณเท่านี้ความรู้ขนาดนี้ควรวางตนเป็นวางตัวเองเป็นอย่างไรให้ฐานะเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนที่เป็นอยู่อย่างไรนั้นให้เป็นอย่างนั้นให้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในะการวางตัวเองให้อยู่ในฐานะอันสมควรแก่ตนเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งเขาบันดิรู้การการใดควรทําอย่างไรการใดควรพูดอย่างไร อย่างเช่นเรารู้การะะวันอาทิตย์เริ่มรู้แล้ววันหยุดทำอะไรดีทําบุญก็รู้การในการรทำวันหยุดไปเที่ยวเวยวันหยุดไปเซนทรัลวันหยุดนั้นใช่สรารภาพที่ไปเยอะแยะไหวันหยุดนะเรานึกถึงว่าวันหยุดไปทําบุญอันแล้วถือว่าเป็นมงคลรู้การรู้ประมาณ ประมาณในการใช้ใจ่ายทรัพย์ความเป็นอยู่ประมาณมันมันหลายอย่างในการประมาณรู้มารู้บุคลรู้ประชุมชนประชุมชนที่เขาเป็นอยู่เขาทําอย่างไรก็รู้ความเป็นที่เขาทําอย่างนั้นแล้วก็รู้บุคคลนะบุคคลใดคนคบไม่คนคบบัณฑิตท่านจะพยายามบอกพยายามสอนในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับพวกเราสอนในสิ่งที่เป็นหลักสัจจ์หลักธรรมนี่แหละสาระสาคัญที่เราจะต้องรู้และเข้าใจ แล้วตาไม้ก็เชื่อว่าพวกเราก็มีความรู้และพร้อมเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นอยู่มาแต่เดิมอยู่แล้วแหละแต่ก็พูดเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นไปหรือให้เกิดความกระจา่างและก็ให้เห็นแง่มุมอื่นๆที่พอจะนําไปสู่การปฏิบัติหรือเก็บเกี่ยวไปเป็นอุบายหรือข้อธรรมข้อคิดภายใ น, นใใจิตใจจะถามอะไรอีกไหม ไม่ถามคุณแม่ถามอะไรไม่ถามครับถามว่าเวลาทาเวลาฟังเทศทำไมชอบนั่งง่วงฮะเพราะว่า ไม่ได้จิบกาแฟหรอจิบไปแล้วไม่ใช่นอนดึกแล้วหลับไไงอ๋อพูดฟังระอาจารย์ฟังด่วคือไม่เป็นอนถึงที่มากอาจารย์ถ้าเ็นก็เป็นคอนฟลิกต์ว่าเราก็รู้หมดเนาะเด๋ยเวลาเราเัวสังคมเมื่อเช้าเราทำตามเขาเนาะเพื่อหลังเละเขาให้ผูกเข้ามือ ในถึงก็ก็พี่บ้านให้ทำนี่สาม้านุตตะสินชาเขาเคยมี่เราก็เลยตัดตามเขาไปแต่โยก็พยายามแยกตัวเองนะแลมวใช้พิธีคนยึดแยกตายถลกหนังหัวตัวเองแล้วก็แยกเองน่าจะเข้าพิธีบ่อยๆนะจะได้พิจารณาบ่อยๆกรรมฐานจะได้เจริญมีพิธีที่ไหนไปที่ท่านกรรมฐานเจริญเนี่ยมันไม่นานบรรลุน่นเอเป็นอย่างนี้ โอ้โหไปเข้าถึงพิจารณาแยกร่างกายเลยนะท่าสี่รินน้ำไปลมเลยนะสุดยอดต้องบอกให้เอามาจัดงานดีกว่านี้เขาเสร็จแล้วเห็นดูเหมือนว่าเขาก็รู้สึกมีความสุขมากนมมเสสส้้้นนนึุดจะความสุขของคนมันมันสร้างจากจากวัตถุภายนอกความเชื่อนะ มันมีแล้วแต่ใครจะกําหนดอะไรเป็นความสุขในชีวิตมันได้ทั้งหมดเนี่ยเพรถูกภายนอกแต่ภายในเนี่ยนะภายในเนี่ยเราจะหาความสุขจากภายในได้ยังไงตรงเนี้ยคือส่วนสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าความสุขจากภายนอกเนี่ยมันนไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็จากกันไปแต่ความสุขภายในมันจะติดตามเราไปด้วยความสุขภายนอกก็ถูกมันติดตามเราไปไม่ได้ ภาในนี่คือสาระสําคัญหรือแก่นสารอยู่ในภายในแล้วพุทธศาสนาก็สอนเรื่องภายในนะี้ั้นให้รู้จักความสุขในภายในเราเนี่ย ใ, ในใจเราก็รู้สึกเข้าภูมิใจในสิ่งที่เราเดินทางที่เราว่าเราถูกนะ้วแต่ว่าคนหลายคนอาจจะที่กล้าเราเดินทางผิดๆเนี่นะแต่เราก็พยายามที่ต้องทำให้คนอื่เพเห็นบางอย่างว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเรา คนเราก็มองได้อย่าเนี้ยแหละไม่ถูกก็ผิดเรามองได้แค่เนี้ยเขาไม่ได้มองความเป็นการ<ม>เขาไม่ได้มองอะไรที่เป็นการเขามองไม่ออกโลกเราจะมองอยู่แค่เนี้ย<ม>ถูกผิดถูกผิดผูกผิดอยู่เนี้ยจริงๆถูกก็ไม่มีอผิดก็ไม่มีหรอก ม, มันมีแต่เหตุปัจจัยที่จะเป็นไปของสิ่งนั้นๆั้นเช่ไล่ะเระาภาถนะความหลุดพ้นเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ จะให้ปฏิบัติอย่างอื่นมันมันปฏิบัติไม่ได้ทีนี้เขาไม่ได้ต้องการความหลุดพ้นเขาก็สร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาไม่ต้องหลุดพ้นแล้วก็ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะมีความสุขไปเศเสฐสมบัติที่เป็นอยู่ก็สุขไปสุขไปเสรษฐ์ไปเถความสุขี้โลกนี่ร้อยปีถึงไหมนี่ถือพรหมโลกเขาเสพนานกว่านั่นอีกถามว่าพรหมโลกคนทุกข์หรือยังหมดภาวะแห่งความสุขในชั้นผมเมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละหัวหมุนเหมือนกันแหละผมพวกนั้นอะกูจะไปไหนนอกากพบกูที่นี่บาปเก่าปรากฏขึ้นมาให้เห็นอยู่ในอวัยภะปุมเสร็จเลยทีนี้ทาไงจะต้องไปไปตกนรกกับผมตกนรกก็มีทเทวดาตกนรกก็มีเพราะอะไรมัวแต่เสพสุกด้วยความประมาาเคิดเพลินลืมเวลาลเวลาลืมเลยรงม ง, งายอยู่กับความสุขที่เป็นอยู่ นนี้คือเราเราไม่ได้เข้าเราม่ได้ตรวจหรืเราไม่ได้เรายังเป็นคอเป็นชาว่าทชาวว่าทแล้วเ ร, เราต้องปฏิบัติตา ม, ามาสังคมเหมือนก็ต้องอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามเรามีม่มีปฏิบัติ่งไรเราะ่าเราเราก็แยกออกว่าสังคมเป็นอย่างนี้<า><อ>ก็ทำตามสังคมเราก็ต้องเ ป, ป็นไปตามสังคมแต่ในส่วนตัวของเราเป็นอีกแบบหนึ่ง เราก็ยึดถือในหลักของการปฏิบัติอีแบบแต่ในครั้งพุทธการพราหมณ์มที่เขามาประกาศตนเป็นผู้นับถือพระตรตาตนาไัยแล้วเขาก็หยุดสังคมของพราหมณ์หมดเลยคือเขาแยกตัวออกจากพราหมณ์มาเล้เขาบอกเขาเป็นพุทธเราอย่าลืมนะว่าพราหมณ์มาประกาศตนเป็นผู้นับถือพุทธไม่ใช่ให้พุทธไปทําแบบพราหมณ์ทุกวันนี้เราเกณฑ์ใจพราศทุกอย่างเราใช้พิธีพราหมณ์หมดเลย ออกมาในศาสนากลายเป็นว่าเรานับถือพูดแต่เลื่อมสายพามทําตามที่พรพารมเกงใจเขาเกงใจทําไมต้องเกงใจเราก็บอกพูดกับพามเขาบอกพูดกับพามมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันก็จริงแต่มาโดยลักษณะที่พามต้องทำตามพูดไม่ใช่พูดไปทําตามพามเส้นสวงศักการะสวดมนเนี่ยเป็นของพาม์หมดเลยมนเป็นของพาม น, น, พานะอย่าลืมนะ งพามหมดเลยนะไม่ยอมพุดนะพุฒไม่มีการสวดมีแต่การปฏิบัติลงมือทําเลยศีลก็ลงมือทําเลยรักษาทานก็ให้มีของทานให้เขาให้ให้ด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยนะให้ด้วยศรัทธาเข้าใจแบบไหนเข้าใจว่าการสละให้ปันสิ่งของของตนแก่บุคคลผู้อื่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกุลแก่บุคคลที่เราให้และ เมื่อให้แล้วยินดีขณะให้ยินดียินดีเมื่อหลังให้ไม่เสียดายเมื่อให้ไปแล้วและไม่ปรายศนาหวังผลที่จะไปสู่พบสู่การกำเนิดในพบกันพบนี้แต่ตั้งใจไว้ว่าทานของเรานี้จงเป็นปัจจัยเพื่อมากผลนิพพานในคภายภาคหน้าเป็นอุปนีสายเป็นปัจจัย การทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานตั้งใจไว้อย่างนี้เมื่อตั้งใจไว้อย่างนี้ในีขณะที่ได้ให้ทานพุทธเจ้าบอกว่าผลของการตอบสนองในทานที่ให้ด้วยวิธีการอย่างนั้นหนึ่งผลจะตอบสนองได้เร็วสองเข้าสู่พบที่สูงกว่าทานที่ให้แล้วหวังผลทานที่ให้แล้วหวังผลพบภูมิจะไม่สูงสาม เมื่อเขาถึงพบภูมิที่สูงกว่าแล้วด้วยผลแห่งการให้ทานจันนนกิจนั้นน่ะให้ดําเนินอยู่ในภพชั้นสูงนั้นและบรรลุธรรมในภพชั้นสูงนั้นโดยไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกได้ใช่กาานที่เราให้แล้วก็อุทิศเนี่ยก็เป็นเรียกเป็นทางที่่หลงไงรืออุทิศเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้กับผู้ที่เขาหวังผลบุญจากเรา เจ้ทเวลาที่รักษาในวิสัพที่ตายเพราะเราเขาก็หวังผลบุญจากเราแล้วก็ทำบุญและอุทิศเป็นจัดมนส่วนของการอนุเคราะห์และสูงเคราะห์<ม>เพราะฉะนั้นทานนี้จึงสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อเจ้าจึงบอกว่าทรัพย์ของทรัพย์ของเศรษฐีแม้จะมีมากแค่ไหนก็ตาม รวยล้นฟ้าก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นําเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและชาวโลกก็เหมือนกับทรัพย์ของคนยากไร่เพราะไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเ ป, เ, ปเป็นทรัพย์ของคนยากไร่ก็กกคืออาณาขานเองคนยากเป็นคนยากไร่เพราะอะไรเพราะหลังจากที่ล่าชีวิตไปแล้วเขาย่อมไปสู่ทุกขติทําไมเราถึงได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ละชาติที่โปร่งสม ทรงใช้ชาติมาเนี่ยเรื่องราวแต่ละต่างที่ถูกเล่าเปน็นนิทานแม้แต่ในเรื่องของพระวิษณุนนท์บริจาคบริจาคบริจาคใช่ไหมมีให้อย่างให้อย่างให้ให้ถ้าว่าถ้าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โดยไม่ให้เน่ยถ้าตายจากเพราะตายตายทิ้งไปเฉยเฉยเนี่ยประโยชน์ที่เราได้สแสวงหามาแล้วก็ที่จะพอที่จะกระทําให้เกิดขึ้นในโลกไม่ได้ทําให้ขึ้นเกิดขึ้นประโยชน์นั้นก็ไม่มี มันก็คือตายแบบไม่มีประโยชน์นั่นประโยชน์ก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีพระเวสสันดรก็ไม่มีบุตรีเจ้าเพราะการที่จะมาเป็นพุตรีเจ้าได้ก็ต้องผ่านการใช้ชีวิตแบบพระเวสสันดรมาจนกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ในวงท้องสังคมว่าพระเวสสันดร น, นี้อะไรให้ทานเส่นกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ หน้าตําหนิตีเตียนให้กระทั่งลูกตัวเองเมียตัวเองให้กับคนอื่นนี้เป็นทัศนะหรือมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจหลักของการให้หรือไม่เลือกไม่ไม่เข้าใจเรื่องของคําว่าอุ ป, ปับปารมีหรือปรมามัฏฐบาลมีบาลมีบาลมีสูงสุดว่าให้เมียของอื่นไปได้อย่างไรให้เมียให้กับคนอื่นไปทําไมให้ลูกกับคนอื่นไปทําไม เขาไม่เข้าใจคำว่าบารมีฐานบารมีเขามองแค่ทัศนคของปุถุชนจริงๆพรอไอซ์นอนก็ปุถุชนนั่นแหละแต่ว่าเป็นปุถุชนที่เตี่ยมไปด้วยบุญบารมีมากมายมหาศาลแต่ทัศนะของคนทั่วไปเนี่ยมองผ่านเรื่องราวเหล่านี้ก็บกทําให้สังคมในครอบครัวแตกแยกให้เมียตัวเองให้ลูกตัวเองให้ทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมี มันไม่ได้สร้างความเจริญอะไรให้กับคนไม่ได้สร้างอะไรให้กับประเทศชาติไม่ได้สร้างทัศนะดีๆหรือว่าสร้างอะไรดีๆให้กับกับโลกเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นในมุมมองของคนที่เขามองเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าปรามัทธาบารมีคือสิ่งที่ยากที่สุดของการให้เพราะเป็นของที่ทาได้ยากนั่นแหละ โดยที่คนทั่วไปสามาัญทั่วไปไม่สามารถที่จะทำนั้นลักเมียลักลูกให้เขาทําไมเขากับเลือดในอกถ้าเอาลักเอาลูกเอาเมียให้คนแทง อ, อกงออกเราเนี่ยแทงหัวใจเราเอาเลือดออกมาจะไม่ดีกว่าหรือทําไมไม่เสียสละตนเองก็ไม่มีใครมาขอพระองค์อย่านั้นแหละเขามาขอเมียมเมียมหมายถึงว่าพระองค์เป็นสามีใช่ไหม สามีแปลว่าผู้เป็นเจ้าของเข้าใจไหมเป็นเจ้าของเมียเป็นเขาเรียกว่าภรรยานี่เ้าเรียกว่าเป็นเป็นของของสามีเจ้าของคือมีกรรมสิทธิ์ที่จะให้ใครก็ได้ถามว่ารักไหมมันไม่เกี่ยวความรักมันเกี่ยวกับการให้มันเกี่ยวกับทานอลูกอะลูกก็ถือว่าเป็นบริวารเป็นของผู้เป็นบิดาบิดาเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์อันหนึ่ง ของของของพ่อจะให้ใครก็ได้แต่เขาว่าจะให้ใครก็ได้ไม่ใช่ว่าอยากจะให้ก็ให้นะมีคนมาขอ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ให้ไปไหนเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะมุมมองอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บแล้วถ้ามีใครไปขอภรรยากันเน่ยไปขออย่างเงี้ยให้ได้ไหมเขาเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมนี่ยแหละมันบ่มบอกถึงปรมาธรมบารมีบา ร, รมีอันสูงสุด แล้วแล้วบา ร, รมีอันสูงสุดเนี่ยมันจะทําให้การให้นั่นอะ่ะสําเร็จผลเมื่อสําเร็จผลแล้วปั๊บเนี่ยบา ร, รมีเต็มพอบา ร, รมีเต็มบา ร, รมีที่เกิดจากการให้ไปคุ้มครองภรรยาคุ้มครองบุตรพุทธเจ้าเออะไรพอไปสันดอนเนี่ยเล็งดูเรียบร้อยแล้วเอาเมียไว้ในปา่าลําบากเพราะเสือในป่าเนี่ย อันตรายมากมเจ๊ไหยเคยมีเรื่องราวที่ไปหาผลไม้ในป่าแล้วก็เสือดักทางเง น, <Cort> นี้นางก็กลับมาไม่ได้เพราะเสือมันดักทางอยู่จนกว่าให้เสือหนีแล้วถึงอย่างเอาผลไม้มาก็ได้ถาามอไปทําอะไรมาทําไมเพิ่งจะกลับมาเนี่ยพกข้าเอาลูกไว้ในป่าลําบากแน่กินแต่ผลไม้เผือกมันนั่นแหละให้พระองค์ลาบากคนเดียวดีกว่าอย่างน้อยสลับภรรยาไปเขานําไปสู่เมือง สละลูกไปเขานําลูกไปสูนะ่เมืองภรรยาของตนเองเนี่ยของพระ อ, องค์เนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่ฐานะต่ำๆคนอื่นเห็นไปกับชูชกเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาไปกับพามลูกไปกับชูชกลูกตนเองเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปทั้งผิวพรรณทั้งหน้าตาทั้งความเป็นอยู่ทั้งอะไรเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคนทั่วไปเราซึ่งเข้าเห็นชัดคนนี้เดียวเขารู้ดูปอ๊บเขารู้ปั๊บเลยว่าคนนี้อยู่ในฐานะสูง พระองค์ทราบอยู่แล้วว่าพระเวสสัดอนทราบอยู่แล้วว่าเมื่อเอาไปปั้บคนทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วเรื่องนี้ต้องถึงหูพระเจ้าสีพีพระเจ้าตาพื้นพูน พ, พ, พ่ อ, พ, พ, อ พ, พ, พ, ไไพระเจ้าปู่ใช่ไหมล่ะพระเจ้าปู่ต้องเอาทรัพย์มา แ, แล้วก่อนที่จะมอบลูกให้เนี่ยชูชกเนี่ยสั่งไว้ด้วยว่าหากพระเจ้าปู่เนี่ยจะให้ทาหารมาเอาตัวไปอย่าไปเด็ดขาด ห้ามไปเพราะเป็นการใช้อํานาจข่มขี่จากกษัตริย์เพื่อได้ ย, ย่งชิงตัวไปทานของพระองค์จะไม่บริบูรณ์งวดขนาดนั้นก็เล็งขนาดนั้นเลยนะห้ามห้ามห้ามไปแล้วทํายังไงให้เอาช้างมาแลกเอ้ยเอาม้ามาแลกเอาดั้มาแลกเอาทรัพย์สินเงินทองมาแลกถึงจะไปได้ถ้าไม่เอามาแลกตามนี้อย่าไปเลยครับเพราะค่าของเจ้าสูงส่งมากคือค่าของเจ้าคือมีค่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้ เใช่ไหมม้ากี่ตัวไม่รู้โคกี่ตัวก็ไม่รู้ชู้โชคหนีรวยเลรื่องบ้านอีกตั้งหากบ้านบ้านสวยด้วยชู้โชคประมาณนี้นะถ้าไปอ่านในประวัติเกิดอะไรขึ้นนั่นเกิดความดีขึ้นมาเกิดความดีความไม่ใช่เรื่องของการทําร้ายกันนะไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของลบๆที่คนเขามองนะสุดท้ายได้กลับไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะ เขาก็มาอัญเชิญพระเป็นสตรองกับมึงเห็นไหมก็ได้อยู่ด้วยกันเราไม่ไปดูตอนตอนจบอะคือมันจบยังไงเรามามองเฉพาะแง่บุมเฉพาะอ้าวให้เมียให้รูปให้อะไรไปเี้ยมองอย่างนี้คือมองสามัญชนหรือบุรุษชนในฐานะเขาบุรุษชนหรือสามัญชนเนี่ยบ๊วยยังไงก็อ่านไม่ขาดในวิสัยของผู้มีปัญญาวิสัยของบุคคลผู้เป็นปรมาถบารมี มองยังไงมองไ ม, ม่ขาดเหมือนกับพุทธิย่อบอกว่าห้ามสแสวงห า, บ, า, นะห า, า, าบุญนอกเขตพุทธศาสนาหมายถึงว่าอย่าไปทําบุญนอกเขตพุทธศาสนาก็บอกเอาอย่างนี้ไม่ไม่มีการเผื่อแผ่คนศาสนาอื่นเลยเหรอพุทธวิสัยของพุทธิย่อพวองอ์มองอะไรเห็นอะไรทําไมถึงบอกว่าอุบาสกในพุทธศาสน์นี้ห้ามทาบุญนอกเขตพุทธศาสนะหาหากไปทําบุญนอกเขตพุทธศาสนาะความเป็นอุบาสกขาด หรือว่าคุณสมบัติขาดพ่องไปไม่ถือว่าเป็นบาสูผู้สมบูรณ์แบบเอาก็าศาสนาอื่นเขาเดือดร้อนไม่ให้เขาบ้างเลยเหรอทายผู้องค์มาจำกัดเฉพาะให้ทานในพุทธศาสนาเรามองแง่นี้ออกไป ม, มองออกไหมบางคนบอกว่าเขาเขาไม่สามารถยอมรับคำสอนนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่า เขาส่ลูกไปเรียนโรงเรียนนึงคิดอย่างไรละ่ะเป็นคนพุทนี่แหละส่ลูกไปโรงเรียนคิดโรงเรียนนั้นก็ดูแลคนคนพุทธอย่างนี้ก็เรียนไปได้วยกันตก็จบการศึกษามาพุทธก็มารับถือพูดเหมือนเดิมคุณค่าที่ศาสนาพิทเขาทาให้ศาสนาเราเนี่ยคือคือคนในศาสนาเราเพรายังทําได้แล้วทําไมเราไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในศาสนาอื่นได้บ้างแต่ทําไมคําสอนที่บอกว่าห้ามสแสวงหาบุญนอกเขตพุทธศาสนาเคยอ่านเจอไหมเคยมีไหมเรื่องเนี้เคยเข้าใจไหมเคยรู้เรื่องอะไรไหม ไม่รู้อ่ะเท้า อ, อ, องค์มงคลของบาะสงค์ปสิกา5อย่างคือหนึ่งไม่เชื่อมงค์นตื่นเท้าใช่ไหมสองอาหนึเชื่อพระเจ้าเชื่อประธรรมเชื่อพระสงค์ไม่เชื่อมองค์นตื่น เ, น ท, เท้ า, ไ ม, อมอาไม่ทาบุญนอกเขศพุทธศาสนา5ประการใช่ไหมเรียนมาไห ม, ำไมไจำไม่ได้ต่อไปต้องจนะออํานะอจำเชื่อพระเจ้าเชื่อประธรรมเชื่อพระสงค์ ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าเชื่อไม่ทําบุญนอกเขตพุทธศาสนาให้ทําบุญในเขตศาสนานี้เท่า น, น, นั้นในเขตนะเขตเขตแดนคืออะไรคือพิสูุนิคืุนิยมประสงค์ปสิการในเขตพุทธศาสนาไม่เห็นใจาศาสนาอื่นมากเลยค่ะถ้าเกิดทาไปศาสนาอื่นก็อาจจะพักจูงไปเนี่ย่ ไม่ไม่แล้วถ้าเราเข้าใจในศาสนาของเราที่แท้จริงมันถูกชักจูงไปได้ไหมันก็ไม่ได้แต่ว่าการมององศาสนาอื่นที่จะมองเราไม่เห็นมัน็เลย้าั่หมายถึงว่าบางบุญบาุงศาสนาอื่นเนี่ยอครับที่ยังไม่เข้าใจคำนอเคสอย่างชนอิสลามไรพวกนก็หาความหมายได้อ่ะ ทำบุญนอกเคสศาสนาเนอขอทานเขาเป็นใช่สมมุติขอทานศาสนาอื่นใช่เราเราเราเห็นเราสงสารเราเอาให้ผิดผิดได้ยังไงฮะถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ก็ควรจะรู้เพราะว่าถ้าถือว่าศาสนาอื่นมีสมีมนุนอกจาก S <S บางทีพุทธวิสัยนี่เรา็อกแคบจะคิดไม่ออก<ม>ถ้าเราจะใช้พื้นฐานของสา ม, มัญชนคิดนี่คิดยังไงก็ไม่ออก<ม>เราต้องใช้ชั้นของมีไหมฟ้าพอมู น, นี้ห้ามทาบุญนอกเขตพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์นะม่ีคถามอย่มันอยู่ในหลักว่าทำการสนับสนุนในทีเ่เอาเอาเอาที่มันเชื่อถือได้นะเว็บเว็ยบที่เชื่อถือได้ะอาจารย์ร่งเรื่องชูชบเนี่ย มันก็มีเหตุด้วยถ้าผมมองว่าชูชกน่ยอดีตเนยคงทําเหตุชะดีด้วยก็เลยมารับผลในตอนนี้ใช่ไหมเพราะชูโชคที่ต้องก็เคยให้ถ้าถ้าเหตุอดีตมันดีมันคงไม่เกิดมเป็นชูชคใช่ไม่ใช่คือคือเคยมาเลยว่าเขาต้องเคยมีนักผู้งเรื่องศักดิะเป็นกรรมปัจจุบันเป็นเป็นกรรมปัจจุบันค่ะในปัจจุบันเพราะว่าอนดจตชาติเขาคงแบบก็ต้องไปดูว่าชูชกเคยทําอะไรมันมีอยู่นะกุู้หญิงเรื่อเก่าว่า ชูชคเป็นอะไรมาก่อนนี่เนีะยต้องต้องมีเพราะว่าที่กาน่าจะมีเหตุที่มันเกิดแต่ตอนที่สุดท้ายที่ก่อนที่พ่อจะตายเขาเขาอาจจะจิตเพิ่งไ้เขาเลยได้เกิดเป็นเชื้ชาติที่ต่ํางใช่คงจะเป็นน้องๆนะ่คือทุกอย่างมันมีเหตุผลเมืองมันอืมมีตัวอินทงีายด้วยกใช่เพราะพาเวสันดอนก็ตั้งปณิธานว่า เมื่อไรนอทานของเราจะถึงที่สุดให้ลูกไปแล้วเหลือเมียนี่ยังไม่ได้ให้ใครทานก็ยังไม่ถึงที่สุดบรารมีก็ยังไม่เป็นบรารมีเต็มปรามาาัฏฐบรารมียังไม่เต็มในการให้ให้ดวงตาก็เคยให้มาแล้ ว, วคลักให้ไปเลยภูมิเคยให้มาแล้วนั้นอยู่ในอุปบปปารมีแต่ในชั้นป ร, ป ร, ป ร, ม า, ปรามัฏฐบารมีนี่มันต้องเป็นชั้นการให้ที่สูงส่งกว่าก็<ม>เลยว่าเอ ปณิทานของเราจะไม่สำเร็จละมั่งในชาตินี้พระอินทร์รู้ทีนี่รู้ความคิดปริวิตรงก อ, อจะทำให้ทานของพวกพ่อเวสันดรสมบูรณ์เราจะต้องไปของเนี่ก็เลยแปลงกายมาเป็นถามแล้วมาข อ, อดีใจเลยทีนีไ่ได้ให้ทานไม่ใช่ว่าพระ อ, องค์ไม่รักนางมักสีนะพระ อ, องค์รักหลดหัวงแหนแบบสูงสุด แต่พงศ์บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับโพธิยันเนี่ยพงศ์รักโพธิยันมากกว่ามากกว่าไม่ได้มากกว่านางมัศีนะคือถ้าจะพูดถึงรักนางมัศีเนี่ยรักสุดท้ายตายดับกันแต่โพธิยานเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อมาหาชนได้มากกว่าหมายถึงว่าพระองค์รักคนที่จะเข้ามาสู่พุทธศาสนาในในยุคเนี้ยในยุคพุทธกาลจนนถึงมายุคเนี้มากกว่าคือรักถึงพวกเราความรักเผื่อแผ่มาถึงพวกเรา พอท้าพระองค์ไม่ได้โพธิญาณพระองค์ก็ไม่สามารถตั้งศาสนาและไม่สามารถความรักของพระองค์เนี่ยมันยิ่งใหญ่แต่ถ้ารักนามัสีเนี่ยก็คือแค่นามัสสีตายอย่ากันทีนี้พระองค์เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ในโพธิญาณที่จะสามารถนําความพ้นกูปมาสู่มหาชนแม้พระองค์ปฏิญญาไปแล้วเนี่ยพระองค์ยังทิ้งความรักนี้ไว้ต่อพวกเราเป็นความรักความเมตตาความก ร, รุนามหาศาน mm hmm. เจอไหมป้าเอาว่าอย่างไงข้อมูล เ, เขาเขาเอายกจากพระไตรปิฎกที่พูดแล้วก็แล้เขาก็มาอธิบายว<อ>่าอย่างไ ง, งหลักเอาเอาพูดหวัวข้อหลักๆ ก, ก่อนห้าหประการไหมคือกี่ประการอันนี้ต่นี่เขาอธิบายแค่ไอ้บล็อที่ห้ามทำบุญ น, นอกพุทธศาสนาว<า>่ายัางไงท่านไม่ได้ห้ามการทานทานแก่คนาศาสนาอื่นแต่บอกว่าการทานทานโดยคิดว่าคนาศาสนาอื่นเป็นทักษินายบุคคลนั้นเป็นการไม่ควรแก่อุบาข์สุด อธิบายได้ดีอันนี้อธิบายได้ดีเข้าใจไหมพอนี้หมายถึงว่าไม่ได้ห้ามการให้ทานแก่คนนอกศาสนาแต่ห้ามเข้าใจว่าคนนอกศาสนาเป็น ท, ทักขินยะบุคคลที่ควรค่าแก่การให้ทาน mm hmm. คือไม่ได้ให้ทานโดยการตั้งความคิดไว้บ้าง mm hmm. บุคคลนี้ คือบุคคลผู้ควรค่าใจการให้ทานแล้วให้แก่แต่ให้ด้วยการอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้เออใช่ก็มีขอบเขตเนี้ยอธิบายน่าจะเป็นมีรคใช่ตั้งขีดอนุเคราะห์แต่ถ้าจะตั้งใจที่จะทําบุญในที่พระองค์ทรบอกว่าทานอันบุคคลเลือกให้เป็นทานอนสาราพระตถาคตสารสวนแล้วคือหนึ่งเลือกถ้ากินาทานหรือเลือกของทําบุญ สเลือกทคกษิณญาบุคคลเลือกบุคคลผู้ควรค่าแก่การทำบุญบุคคลผู้ควรค่าแก่การทำบุญในศาสนานี้คือใคร <c oughs> คือใครอามูเนโยปาหุเนโย <c oughs> ทคกษิณโยอัญชริกาลิโยคือบุคคลสีจ่จำพวกนี้ที่ควรค่าแก่การทำบุญแล้วบุคคลสีจ่จำพวกนี้คือจำพวกไหน <c oughs> คือสุปฏิปโนพระกบโตสาวกษัตริย์โคอุชุปฏิปโนพระกวโตสามกษังโค ยาญาปฏิปนโภพกบโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปนโภพกบโตสาวกสังโฆนี่คือบุคคลผู้ควรค่าแก่การให้ทานหรือเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญเพราะฉะนั้นอาหุเนโยคือบุคคลผู้ควรค่าแก่การสักการะบูชาในการให้ให้และสักการะบูชาท่านจะสักการะบูชาใดๆก็ตามอาหูเนยบุคคลเนี่ยคือบุคคลผู้นั้นที่ควรค่าแก่การสักการะบูชาปาหุเนโยผู้ควรค่าแก่การต้อนรับ ท่านไปที่ไหนก็ตอนรับไปในบ้านในเรือนไปบินาบาไปนิที่ก็ควรท่าแก่การตอนรับทักษิณโยกผู้ควรท่าแก่การให้ทานอัญเชิญกัโยควรท่าแก่การกราบไหว้เมื่อพระองค์บอกว่านี่คือบุคคลผู้ควรท่าแก่การให้ทานหรือเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญจึงเกิดการเช่นโยงในสุปฏิปนรนมหมายถึงว่าผู้ประพัติปฏิบัติชอบคําว่าผู้ประบฤติปฏิบัติชอบเป็นใคร คือบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติทำในศาสนาเพื่อหวังความเป็นพระโสดาบันนั้นคือเรียกว่าสุปฏิปโนและปฏิบัติเข้าอจนถึงโสดาบันแล้วเรียกว่าสุปฏิปโนแห่งโสดาปฏิผลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นสกอาคามีเรียกว่าอุชุ ป, ปฏิปโนปฏิบัติตรง คือตรงแน่วแน่ไปเลยตรงไปไม่ผ่าปฏิณเนีธยแ น, แ น, แนวแน่เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่คือตรงดิ่งเลยแหละเรียกว่าอุชุปฏิป น, น์กับสกทาคามีบุคคลบุคคลผู้เข้าถึงผลแห่งสกทาคารีแล้วเรียกว่าอุชุปฏิป น, น์ยายะปฏิป น, น์คือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าไปถึงสักอาอนาคามี เรียกว่ายายะปฏิปนุนหมายถึงว่าพระอนาคามีจะไม่มีความทุกข์ในเรื่องโรกหลบลงอีกและบุคคลผู้สมเด็จเป็นอนาคามีอะไรสามีจีปฏิปนุนคือบุคคลผู้ปฏิบัติแบบสมควรแล้วสามีแปลว่าผู้สมควรสมควรแก่อะไรสมควรแก่ทานที่มนุษย์ให้เครื่องสาระที่มนุษย์ให้เป็นผู้สมควรเรียกว่า ป, ประพฤติ แล้วว่าเป็นผู้ปฏิบัติแบบผู้เป็นเจ้าของว่าเป็นเจ้าของทุกอย่างคือของสงมาเนี่ยปกติเนี่ยต้องสงต้องอัปโลกใช่ไหมเพราะสงทั้งทั้งหลายต้องอาศัยผ้าสีรูปในการอัปโลกในการแบ่งเพราะสงเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าของแต่พระอระหันต์ได้ถือว่าเป็นเจ้าของเลยนะของสงมาแม้อยู่ผู้เดียวก็ตามก็ถือว่าเป็นเจ้าของเลยสามีจิต ป, ปฏิปนุปปฎิบัติดักแบบผู้เป็นเจ้าของเจ้าของของทานทานทั้งหมดทั้งปวงที่เขาให้ที่ไหนก็ตาม ไปใช้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเอากระโหลกก็ได้เห็นไหมเป็นสามิจิปฏิปโนโมมมุปนรปฏิบัติที่สมควรแก่การให้แก่การต้อนรับแก่การสักการ บ, บูชาแกา่สิ่งต่างๆเรียกว่าบุคควลปฏิบัติเพื่อความเป็นพระราหันเรียกว่าสามิจิปฏิปนมมุนและเป็นพระราหันแล้วเป็นสามิจิปฏิปนุนจึงเกิดมีการเรียกได้ว่าอัตทะอะไ ร, รว่าคู่แหง่งบุรุษสีคู่เห็นไหม นับเดียงตัวบุรุษได้แปบุรุษสี่คู่ก็คือสดาปฏิบัติสดาปฏิผลสกัดทางคำแยกสกัดทางนิพนธ์อนาคามีมากอนาคามีผลอะระหังตมังอหังตผลสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษบุรุษนั่นก็คือใครก็ตามที่เป็นเป็นชายหรือเป็นหญิงอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เรียกมันบุรุษบุรุษเนี่เป็นเพียงแค่คำเป็นเป็นการยกตัวอย่างบุคคลบุคคลผู้ปฏิบัติใครก็ได้บุรุษสี่คู่น ที่กำลังปฏิบัติอยู่อันนี้นคือเขตเขตบุญในพุทธศาสนานั้นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเขตบุญนะอนุเคราะห์สงเคราะห์ไปได้ให้ได้แต่ถ้าเขตบุญจริงๆเนี่ยต้องทำในพุทธศาสนาในกรณีนี้หมายถึงว่าเราจะไม่ยกคนนอกศาสนาขึ้นมาเป็นที่ตั้งแล้วถวายสังฆาทานกับเข า, าไม่ได้เอาคนคิดมาแล้วก็ถวายสังฆทานกับคิด <c oughs> ได้ไ ไม่ได้ไม่ได้แต่ให้ได้ใช่ไหอนุเคราะห์ได้สงเคราะห์ได้ไม่เสียเงินเออใช่เนี่ยเบียบไหนพูดถูกกี่ห้าข้อนั่นแ่ะไล่ไล่มาห้าข้อจริงๆที่มีกี่ข้อกันแน่ห้าข้อใช่ไหมถ้าอาจารย์ก็จะจำผิดผิดถูกถูกไป้างกันมันน่าจะมีโยงไปถึงไม่เชื่อมุงคลตื่นข่าว อามือภาษาบาลีอ่ะอ่าห้าข้อใช่ไหมอะไรข้อหนึ่ง้าด้ครบเด็เป็นการทบทวนนะทบทวนกันภูราสุยองเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งศรัทธาในพระตรไตเป็นผู้มีศีลมีศีล ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกำเชื่อกำเชื่อผลของกำไม่เชื่อมงคลไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตพุทธไม่แสวงหาเขตพุทธนอกอุตสาหะแม้อตมายังอาจยังยังจํามาผิดเลยนะนี่เนี่ยเนี่เนี่ยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะที่น้องฟ้าอ่านไว้ที่นี่ก็ทการแสดสมุดในศาสนาศรัทธาหมายถึงศรัทธาในพระตระนัยไม่เชื่ออย่างอื่นเลยหรือไม่จะถืออย่างอื่นสองเชื่อกรรม เชืーー่อผลของกันสามไม่เชื่อมงคลคนเขาว่าไม่เชื่อมงค์คนไม่ใช่เกี่ยวกับมงคน์นในพะุทธศาสนาเขาว่ามงค์นเนี่ยคือม ง, งคลตื่นข่าวเป็นนองที่เรียกว่าตื่นขา่าวยังไงดีนะทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีทําอย่างนีดีเขาทักมาบอกว่ า, าเดือนนี้ต้องแ ก, ก้ปีชงต้องชงไม่ชงไม่ได้ต้องไปแก้ชงเชื่อมงค์คนไม่ใช่อุปสรรควาสิกา น่อาไปแบบแบีคิว่านอกศาสนานอกศาสนาข้อห้าข้อหอยู่ในสี่อันแรกออันแรกมีศรัทธาอันที่สองมีศีลอันที่สามเชื่อกำเชื่อผลของกรรมอันที่สี่เชื่อไม่เชื่อมงคลอันที่ห้าไม่แสวงหาบุญนอกเขตศาสนาครบครัวกันจำไม่ได้ไลๆหัวอย่าให้หัวเดียวจํามันลืมได้จําคนละข้อก็ได้ใช่ไหมล่ะเวลาเจอกันคบควนกันจะได้ไม่หลงลืมไม่เชื่อม่เชื่อ ส่วนมากคนไม่เชื่อกรรมทุกวันนี้ไม่เคยเชื่อกรรมแต่เวลาเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นกรรมอะไรของกู่ไว้อยู่นะเอาละมั้งวันนี้พอสมควรแก่เวลา่อถือว่าเป็นการแสดงธรรมเพื่อเป็นมงคลให้กับคุณพ่อเนื่องมาละมันคล้ายวันเกิดเจ็ดสิบปีของโยมโยมนัดนาทีในวันนี้ขอจะขอไวคอน ความอนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังการสวดนาธรรมบุญกุศลที่เกิดจากการสแสดงธรรมของอัตมาขอบุญทั้งสาประการนี้จงเป็นมหาเถริญานุภาพอํานวยอวยพรตอบสนองให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันน่มีผิวพรรณของใสจเจริญด้วยสุขามีความสุขกายสบายใ จ, จเจริญด้วยพละมีกําลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรง และขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตจงบรนดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุนนําจิตใจของพวกเราทุกคนให้ก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวงก้าวล่วงเวรไภทั้งปวงพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงความเจริญถึงพระนิพพานในปัจจุบันนาการและอนาคตการด้วยเถิด ก็ขอใช้เวลารายการอธิบายทางแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามชมเองก็เข้าถึงความสุขความเจริญได้รับพรที่ได้ให้เป็นนี้ทุกคนทุกท่าน